ผมจะนําธรรมวาทีสูตรอยู่ในสังยุตตนิกายสลายยานวัตท่านผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลกท่านเคยเป็นธรรมวาทีไม่ลองนึกดูก็แล้วกันอีกทีนะท่านผู้ใดแสดงธรรมเพื่อละราคะ โทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นธรรมวาทีในโลกท่านผู้ใดปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีในโลกท่านผู้ใดละโลภโทสะโมหะโดยสิ้นเชิงท่านผู้นั้นเป็นผู้ไปดีแล้วในโลกเมื่อเข้าเลยตถาคตโตนี <c oughs> แล้วท่านเป็นกี่อย่างครับ ท่านเป็นทั้งสามอย่างเลยไม่ใช่เลยครับเป็นพักๆเป็นท พ, พักๆเลยครับเช่นพานอ๋อพักขณะที่กุศลจิตเกิดก็เป็นอย่างนั้นแต่ถ้ามิวกาส<อ>เป็นเยอท่านผู้ดใดแสดงธรรมะเพื่อละราคะโทสะโมหะผู้นั้นเป็นธรรมวาทีพวกผมเอาแค่ปฏิบัติเพื่อละราคะโทสะโมหะก็แล้วกันนะครับ ท่านผู้นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วในโลกขอเป็นผู้ปฏิบัติดีซะหน่อยเถอะสุปฏิปันโนนะก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติเนพะื่อกําจัดโลภะโทสะโมหะวันหนึ่งคงจะเป็นผู้ไปดีแล้วในโลกเหมือนกันนาะไอเรานี่คขับแค้นอะไรนะเกลียดโกรธเกลียดอะไรกับโลภะโทสะมากนะักจริงมันมันไม่ดียังไงโลภะเนี่ยทําไมบอกหูมันมันร้าย คำสองคำก็จะกำจัดโลภะโทสะจัละอย่างเดียวนะมันมีโทษไหมโลภะมีโทษไหมโลภะเนี่ยนะเป็นภัยที่เกิดในภายในซึ่งคนโลภจะไม่รู้สึกความหรือคนโลภเนี่ยย่อมไม่รู้อัดคนโลภย่อมไม่เห็นธรรมเมื่อใดที่ถูกความโลภครอบงำขนาดนั้นมันมืดหมดนะ มันจะไม่เห็นอัตเห็นธรรมเลยนยไม่เห็นเหตุเห็นผลไม่เห็นบุญเห็นบาปไม่เห็นดีเห็นชั่วแล้วทีนี้สภาพจิตของคนที่พูดด้วยความโลภคำพูดนั้นเป็นวจีทุจริตการกระทำทางกายของเขาเป็นกายะทุจริตจิตของเขาเป็นมโนทุจริตทุจริตเหล่านี้เนี่ยนะลูกเจี๊ยบที่มันร้องเนี่ยมาจากไหนนะ ถ้าขนาดนี้ที่เรากาลังคุยกันอยู่เหมือนจะไม่มีโทษอะไรเลยนะสมมติถ้าเราปล่อยจิตให้มันเป็นโลภะไปสักวันหนึ่งสองวันสิบยี่สิบปีสาสิบปีดูเหมือนไม่มีโทษในสายตาของของคนทั่วไปแต่ในสายตาของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้สังสมบารมีมาผู้ที่ปฏิบัติธรรมเพื่อเพื่อพ้นจากกองทุกนั้นพระ อ, องค์ตรัสว่า นี่คือต้นตอแห่งวัตฏุทุกทั้งหมดคือโลภะโลภะนั้นเป็นต้นตอแห่งวัตทุก์เป็นตัวที่ฉุดครา่าเป็นตัวที่ชักลาบเพื่อปฏิสนธิในภพทั้งหลายแหละเพราะว่ากรรมจะไม่ให้ผลเลยถ้าไม่มีโลภะนั้นโลภะอีกชื่อหนึ่งเขาก็คือตันหาแต่ว่าโลภะนั้นมันเกิดขึ้นนะมันเป็นความเพลิดเพลินเพราะฉะนั้นความเพลินอันนี้เนี่ย ใครที่ไม่มีความเพลินในชีวิตดูมจะแห้ง แ, งแล้งเหลือเกินนะเพราะฉะนั้นทํายังไงชีวิตจึงจะมีโลภะมากๆรอเลี้ยงบำรุงบำเรอโลภะฉั้นการสนับสนุนส่งเสริมให้คนเกิดโลภะเนี่ยถือเป็นความถูกต้องของหมู่ภารชนหมู่ภารชนผู้ไม่รู้แจ้งพระสัจธรรมเขาจะสนับสนุนพูดยังไงก็ได้ให้คนเป็นโลภะเกิดขึ้นมากๆฉั้นกิจกรรมใดที่ให้โลภะเกิดแรงๆกิจกรรมนั้น แพงที่สุดราคาแพงมากใครที่สามารถสร้างสีสันให้โลภะเกิดมากภาพนั้นมีราคาแพงใครที่สามารถพูดให้โลภะเกิดขึ้นมากๆนะพูดๆเนี่ยให้มันดังๆออกจากปากนะยถึงอ่ะร้องเพลงหรืออะไรก็ตามก็คือดังๆที่ออกจากปากถ้าร้องแล้วคนเกิดโลภะมากๆเพลงนั้นแพงนั่นแหละ คนมีการยืนเดินนั่งหรืออิรยาบทนะขยับตัวแล้วคนเกิดโลภามากอิริยาบทนั้นมีค่าแพงเช่นนักร้องเนี่ยใช่เพราะการมาคุณห้าอะไรก็ตามท่าส่งเสริมโลภาม า, มากที่สุดสิ่งนั้นจะมีค่าที่สุดสำหรับภาชนทั่วไปสำหรับคนคนทั่วๆั่วไปเพราะคนทั่วไปนั้นยินดีในโลภะเขาไม่เคยคิดว่าโลภานี่มีโทษ แต่ที่จริงนะถ้าหากว่าชีวิตของคนในโลกถ้าเราประมวลชีวิตมาแล้วเนี่ยคนมีความสุขกับคนมีความทุกข์อะไนมากกว่ากันชีวิตของเราตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้นะสุขกับทุกข์อะไนมากกว่ากันถ้าของอาตมาเนี่ยตอบได้เลยว่าทุกข์มากกว่าถามว่าให้มาเอายังมามาเป็นอย่างนี้อีกเอาไหมโอ้โหถ้าเป็นไปได้นะถ้าเลือกได้ไหมเอา พอละวครั้งเดียวก็เกินพอแล้วเนาะนะบางอย่างมันเรียกว่ากุหลาบมันมีดอกงามที่ยอดอันเดียวนิดเดียวก็ไม่กี่วันเดียวก็เหี่ยวเฉาแต่ต้นกุหลาบซากกุหลาบอะเหลือแต่น้ำอันชีวิตของเราเมื่อเกิดมามันมีความสุขที่ฉาบไล่อยู่เหมือนกันชีวิตมีมีสุขไม่ใช่ไม่มีสุขถ้าไม่มีสุขสักด์ไม่ติด สุขโสมนัสที่อาศัยเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เรียกว่าอัาทะนะสิ่งที่น่ายินดีของชีวิตเรานี้มีแต่ชีวิตมีโทษไหมโทษมันเกินจากภลนาโทษมันมีมากเกินจากภาลนานั่นแหละแถมด้วยมลสูตรนะท่านบอกว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลาย อกุศลธรรมสามประการนี้เป็นมนทินภายในเป็นอมิตรภายในเป็นศัตรูภายในเป็นเพชฌฆาตภายในคือโลภะหนึ่งโทสะหนึ่งโมหะหนึ่งในอัตถกถาท่านได้ที่บายเพิ่มไปว่าเมื่อโลภะเกิดขึ้นในสัตว์จะนำความฉิบหายความพินาศนาน า, นานชนิดมาให้ จะทำให้เกิดทุกนา น, นับประการแกสัตว์ทั้งหลายเหมือนอมิตรและศัตรูที่กินร่วมกันนอนร่วมกันก็คอยหาโอกาสอยู่ฉะนั้นดูนี่น่ากลัวไหมถ้าเกิดมีอะมิตรมีศัตรูเนี่ยเราไม่รู้อะแล้วก็นอนด้วยกันด้วยนะเข้าครัวก็เข้าด้วยเข้าห้องน้ําก็เข้าด้วยเนี่ยนะเนี่ยแล้ก็จะคอยจ้องแต่หาโอกาสเนี่ยที่ทำร้ายเราเนี่ยน่ากลัวไหม ไปตลาดตามไปด้วยเขาสิกลับมันมันกลับด้วยอ่ะขึ้นรถมันก็ขึ้นด้วย อ, อุ้น่ากลัวนะ <lun> s. <S อืมเี้ยอามิรภายในนะอืมกินร่วมกันนอนร่วมกันก็คอยหาโอกาสอยู่เช่นั้นเมื <S <S อ่อโลภะเกิดก็จะทำการเมือ่อโลภะเกิดก็จะทำการตัดรอนศีรษะหรือ หมายความว่าไอ้ศัตรูตัวนั้นนมันคอยจ้องแต่ว่ากุดเราเลยเราหัวกุดหัวเราเลยอ่ะมันมันอย่างนั้นขนาดนั้นเนี่ยมันเพราะนั้นจึิงน่ากลัวมากนะถ้าเรามีโจรอยู่ในบ้านทุกคนโดยที่เราไม่รู้นะเป็นไส้ศึกอยู่นะโอ้พันเสียวเหมือนกันนะครับเจนพาดการความคิดแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะมันมันสร้างพิษให้แก่ชีวิตเรามากมายมหาศาลอันอย่างโลภะโทสะที่ว่านั้นเกิดที่ไหน เกิดที่ความคิดเรานั่นแหละขณะไหนที่คิดไหนตัวนั้นแหละนั่นแหละตัวความคิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นคําสอนเบื้องต้นของพระผู้มีพระภาคสอนให้แยกว่าความคิดนั้นเป็นกุศลหรืออกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษควรเสพหรือไม่ควรเสพควรพอกพูนไหมควรเจริญมากไหมถ้าจะละคลายละได้อย่างไรเป็นต้นอันกระบวนการในการละคลายทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้เป็นลําดับ เขาเรียกว่าศิกขาตามลำดับใช่ไหมอนุปปภศึกขาศึกษาตามลำดับอนุปพภเจริยาการกระทาตามลำดับแล้วก็อนุปปภปฏิปทาการปฏิบัติตามลำดับพุทธเจ้าบอกว่าพอสมควรที่จะพอแล้วละภิกษุทั้งหลายซึ่งน้ำตาที่เกิดจากการทุกเนี่ยนะที่ที่มีโลภโทสะโมหะเป็นต้นเหตุเนี่ยทาให้น้าตาเนี่ยมันมากกว่าน้ามหาสมุทรแล้วฉัน หาทางออกกันเถอะทำยังไงจึงจะออกได้ดงั้นการจะออกนั้นในธรรมวินัยของพระผู้มีพระภาคพระองค์ทรงแสดงถึงการศึกษาตามลําดับการกระทําตามลําดับและก็การปฏิบัติตามลําดับการศึกษาตามลําดับศึกษามีกี่อย่างสามอย่างนะหนึ่งอธิศีลศิกขาสอง อธิจิตตศิขาสามอธิปัญญาศิกขานั่นแหละนี่เรียกว่าเป็นการศึกษาตามลำดับศี น, นี่ฟังคำว่าศี น, นี่ชื่อว่าศึกษาหรื อ, อยังกุศลศีลเมื่อเกิดขึ้นในจิตของบุคคลใดบ่อยๆมากๆคำว่าภาเสขาหรือว่าผู้ที่มีการศึกษาจริงๆเขาเรียกว่าผู้ที่สมท า, านให้ศีเกิดขึ้น เจริญพอกพูนปฏิบัติทำให้มากมีใจมุ่งมั่นที่จะเจริญกุศลศีลให้เกิดขึ้นอย่างนั้นหแบบเป็นผู้ที่มีศีลศิขาจิตสิขาอธิจิตศิขาหมายถึงการอบรมสภาพจิตให้เป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนะกุศลศีลนั้นเป็นกุศลที่เกิดไม่ต่อเนื่องนะักเพราะจะให จิตนั้นๆเป็นกุศลอย่างต่อเนื่องนั้นอ่ะจะต้องเป็นอาธิจิตเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นเรื่องของการงดเว้นจากสิ่งที่เป็นโทษนั่นแหละเป็นการงดเว้นจากการกระทําที่เป็นไปเพื่อความเดือดร้อนเป็นไปเพื่อความทุกข์เป็นไปเพื่อความลําบากนั่นแหละเสร็จแล้วก็เพราะ้นบุคคลผู้ผู้ไม่มีศีลเสร็จแล้วจะเศร้าใจ สมมตินะคนที่ศีลไม่ดีก็เหมือนกับเราไปพูดสักคําหนึ่งมาเสร็จแล้วไอ้คำพูดอันนั้นทําให้เราเจ็บช้ามากเลยเรามาเดือดร้อนใจเพราะคําพูดคํานั้นของเราอ่ะนั่นแหละวาจาอันนั้นเนี่ยเป็นวาจาที่ไม่ใช่เป็นไปกับศีลวาจานั้นเป็นวาจาที่มีโทษเพราะฉะนั้นการหลีกเลี่ยงการสิ่งที่เราทําคําที่เราพูดที่มีโทษทั้งหมดนั่นแหละนะทำยังไงถึงจะหลีกเลี่ยงเราคําพูดอย่างนี้ได้การกระทําอย่างนี้ได้ นั่นแหละเป็นลักษณะของศีล น, นั่นแหละเพราะที่สุดของศีลศีลเพื่ออะไรกุศลศีลเป็นไปเพื่อปราโมทอ่าเป็นไปเพื่อเอาวิปัสสนาความไม่เดือดร้อนใจอันคนมีศีลจริงๆนะใจเขาจะไม่ร้อนถามว่าไม่เดือดร้อนใจเพื่ออะไรความไม่เดือดร้อนใจที่พอกพูนให้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่อปราโมทปราโมทก็คือปีติน้อยอ่ะปีติ ก็กระยิมอ่ะนะได้อะไรแต่กระยิมในสักสิ่งหนึ่งอ่ะและคนที่มีปาโมชก็คือปีติอ่อนๆปราโมชเป็นปัจจัยเพื่อให้เกิดปีติปีติเป็นปัจจัยให้เกิดปัสสัทธิปัสสัทธิความสงบกายะปัสสัทธิจิตตปัสสัทธิโอ้ปัสสัทธิจิตติกนั่นแหละปัสสัทธิเพื่อประโยชน์แก่แก่สุขนะ สุขทั้งกายสุขทั้งใจกายยิกสุขเจดสิกสุขความสุขเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อเพื่อสมาธิสมาธิอันสมาธิเนี่ยเกิดจากความสุขความสุขนั้นเป็นความสุขที่ไม่มีโทษเป็นความสุขที่มาจากศีลอันสมาธิก็คืออาธิจิตตสิกขาอาธิจิตตสิกขานั้นเกิดจากการไม่มีโทษมาแล้วเสร็จแล้วมาพอกคูณ จิตที่เป็นกุศลมากๆใบ้อันทำยังไงจิตของเราจะเป็นกุศลได้อย่างยาวนานต่อเนื่องเอาอะไรมาเป็นมาเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้จิตเราเนี่ยเป็นกุศลได้สักสิบนาทีได้นะกุศลจิตเกิดขึ้นสักสิบนาทีเนี่ย น, นะอันนะยมมีวิธียังไงที่จะให้กุศลจิตเกิดสิบนาทีเนื่องนะ ผู้ที่อบรมเจริญเมตตาเขาสามารถที่จะทำจิตให้เป็นเมตตาได้สิบนาทีอันนี้แบบธรรมดานหรือคนที่เขาศึกษาพระธรรมคาสอนเนี่ยเขาสามารถอ่านด้วยศรัทธาเนี่ยนะในะธรรมานุสติเนี่ยด้วยการอ่านพระธรรมระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมหรืออ่านถึงข้อปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบของพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า นะอ่านด้วยความรู้ความเข้าใจด้วยศรัทธา น, นั้นหนึ่งชั่วโมงกุศลจิตเกิดชั่วโมงเป็นกุศลที่ไม่มีอย่างอื่นเข้ามาแทรกเลยนะแต่เว้นไว้แต่ว่าเรื่องอื่นมันแวบมาแวบมาแวบมาอาจจะแสดงว่าถูกแทรกแล้วมาแรงลงแล้วต้นไม้งามๆอันนั้นเนี่ยมาแรงลงแล้วล่ะนั่นแหละทั้งการถ้าเป็นธรรมดาทั่วไปนะกุศลจิตจะเกิดได้ต่อเนื่องยาวนานก็คือการฟังธรรมการอ่านพระธรรมนี่จะทําให้กุศลจิตเกิดต่อเนื่อง แต่ถ้าหากว่ากุศลจิตจะเกิดได้ต่อเนื่องกว่านั้นอีกก็คือการทรงจำธรรมที่ได้ฟังไว้แล้วนั้นอย่างดีนะ ท, ที่ที่รวมทั้งอ่านด้วยนะทรงจำไม่ได้แล้วเอาธรรมเหล่านั้นมาตรึกมาคิดมาเพ่งมาพิจารณามากๆนั้นกุศลจิตจะเกิดเท่าๆกับว่าสามารถพิจารณาธรรมะที่เราจำได้กี่นาทีกุศลจิตก็สามารถเกิดได้ขนาดถ้าหากว่าในช่วงไหนที่ที่เราวิตกกังวลนะ สังเกตดูถ้าโทสะจิตเกิดขึ้นเสร็จแล้วเนี่ยความรล่าร้อนแห่งจิตจะเกิดขึ้นชัดเจนในขณะนั้นนะแล้วนึกถึงพระธรรมสักระยะหนึ่งนะจะสงบร่มเย็นได้อย่างอย่างน่าอัศจรรย์เลยอันพระธรรมของพระผู้มีพระภาคนั้นเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อละโลภโทสะโมหะอั้นกุศลจิตเกิดขึ้นโดยตรึกถึงพระธรรมเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นเป็นอุบายที่ฉลาดมากอันกุศลอีกชื่อหนึ่งฉลาดใช่ไหม อันคนที่จะทำให้จิตเป็นกุศลได้อย่างต่อเนื่องคนนั้นต้องฉลาดมากนั่นแหละอันความฉลาดไม่ฉลาดอยู่ที่ที่จิตอันเจตนาที่ฉลาดนั่นแหละเรียกว่าเป็นเจตนาที่เป็นไปกับบุญหรือเรียกว่าบุญนั่นแหละบุญตัวนั้นเนี่ยนะถ้าเป็นบุญที่มีกำลังมากคนที่อ บ, บรมบุญชนิดนี้บ่อยๆอย่างนี้เรียกว่าผหุลกรรมหรืออาจินกรรม นะสามารถทํากุศลจิตนี่ให้มันเกิดได้บ่อยๆคนนั้นมีอาจินตกรรมไว้แล้วทีนี้การปฏิสนธิในภพต่อไปกรรมจะให้ผลชั้นต้นก็คือครุกรรมนะครุกรรมเราไม่มีนะชาณจิตรเราไม่ได้ฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ไม่เคยทำสักเีงนั่นะแหละเพราะฉะนั้นอนันตยกรรมเราไม่ได้ต่อไปก็ดูอาสานกรรมอีกอย่างหนึ่งอาสานกรรมว่าใกล้จะตายเนี่ยเราทําอะไรไหมกําลังทําอะไรอยู่ในขณะใกล้าตาย เสร็จแล้วถ้ากรรมพวกนั้นไม่มีนะคาุกรรมไม่มีอาสันนกรรมไม่มีพหุลกรรมหรืออาจินนกรรมที่เราเจริญกุศลประเภทนี้จะให้ผลแทนอันจะให้ผลแทนนั้นไปดีนะที่คุยกันนะออกไปดีนั่นแหละเขาเรียกว่าชีวิตของเราเนี่ยเดินทางด้วยอะไรนั่นแหละใช่อะไรเป็นเครื่องมือในการเดินทางอ่านะ มัคคะปั จ, จโยมัคคปั จ, จโยเดินทางด้วยหนึนะ่งะสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งสัมมาสังกัปปะหรือมิจฉาสังกัปปะนั่นเป็นการเดินทางของชีวิตของของเราอ่ะมิจฉาวาจาหรือสัมมาวาจา น, นั่นคือการเดินทางมิจฉากัมมันตะหรือมิจฉาหรื อ, อสัมมากัมมันตะมิจฉาอาชีวะหรือสัมมาอาชีวะ มิจฉาวายามะหรือสัมมาวายามะมิจฉาสติหรือสัมมาสติมิจฉาสมาธิหรือสัมมาสมาธินั่นแหละคือการเดินทางในชีวิตของเราจริงๆฉะนั้นมัรคปัจจัยตัวนี้เกิดมากๆสนับสนุนให้นานัชขาณิกกรรมมรปัจจัยนั่นแหละถ้าสัมมามรรคเกิดในจิตมากๆถ้าสัมมาจนถึงเป็นสัมมัตธรรมก็เป็นพระอริยบุคคลเลยนะองค์มรรคแถ้าเกิดบริบูรณ์ก็เป็นพระ อริยะบุคคลชั้นพระโสดาบันเป็นต้นังนั้นการเดินทางของชีวิตจริงๆก็คือเดินทางด้วยมัคทั้งที่เป็นสัมมามัคและมิจฉามัคอันปฏิปทาการดำเนินชีวิตของสัตว์นี่เป็นไปตามเหล่านี้มัคเหล่านี้เนี่ยเป็นปัจจัยช่วยอุปการะให้เจตนานั้นมีกำลังมากหรือน้อยก็อยู่ที่มัคเหล่านี้ถ้ามัคเหล่านี้เนี่ยถ้าสัมมาทิฐิมีกาลังมากเจตนาอนั้นแปนเรียกว่า มหากุศลยาณสัมปยุทธ์นำปฏิสนธิในภพที่ดีจะสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องกรรมด้วยอั้นถ้าเราสามารถอบรมพอกพูนกุศลจิตให้เกิดบ่อยๆมากๆอย่างนี้เป็นอธิจิตตสิกขาถ้าสามารถอบรมให้กุศลจิตเกิดอย่างต่อเนื่องกุศลจิตถ้ายิ่งเกิดต่อเนื่องนานขนาดไหนจะประณีตขนาดนั้นจะประณีตมากขนาดนั้นเรียกว่าอุปจาระสมาธิอะไรหรือเป็นจิตที่ไม่เป็นใหญ่ เป็นมหคตาธรรมนั่นแหละเรียกว่าเป็นชาณจิตซึ่งมันเกิดจากกุศลจิตเกิดอย่างต่อเนื่องยาวนานเสร็จแล้วชาณจิตจึงจะเกิดได้ทีนี้ชาณจิตนั้นผู้ที่มีวัตถุทางห้าชำนาญในการเข้าชํานาญในการออกมากๆก็จนถึงปัจเจเวปัจเจเขาว ส, สีเสร็จแล้วก็พอกพูนชาญชั้นสูงต่อๆไปอีกอันพวกนั้นจึงจะเป็นพวกนี้ก็ยังประเภทอธิจิตตสิกขา คนที่อบรมจิตได้ลักษณะนี้เรียกว่ามีอธิจิตสิกขาทีนี้สิกขาข้อต่อไปก็คืออธิปัญญาสิกขาอาธิปัญญาสิกขานั้นก็คือปัญญาที่พิจารณาเรื่องกรรมอย่างดีนะเรื่องกรรมเรื่องกรรมนั้นเริ่มตราตรองและสิ่งในโลกนี้นะถ้าไม่เกี่ยวข้องกับวิบากและกรรมมาสรูปสิ่งเหล่านั้นจะไม่มีค่าเลย ได้มันจะดีขนาดไหนสมมติว่าในใต้ใต้ใตโลใต้ที่เรานั่งอยู่สมมุตินะมีเพชรอยู่ก้อนหนึ่งนะเท่าองค์อย่างเงี้ยเท่าไหาสมมตินะถ้าเราไม่ได้เห็นนะจากขู่วิญ ญ, ญาณโซตะวิ ญ, ญญาณอะไรเราไม่ได้เห็นไม่ได้ยินนะมันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลยเราจะไม่ให้ค่ามันเลยแต่เมื่ออะไรก็ตามถ้ามันเกี่ยวข้องกับวิบากและกรรมชะลของเรารู้สึกเระจะให้ค่ามันมากจะให้ค่ามันเป็นพิเศษเลย เพราะเราจะมีโอกาสได้เห็นรูปารมณ์ที่ดีหรือไม่ดีก็ตามก็อยู่ที่จักรคูวิ ญ, ญญาณซึ่งมีกรรมเหล่านั้นเป็นปัจจัยแต่ที่นี้จักรคูวิ ญ, ญญาณเกิดด้วยกรรมอย่างเดียวใช่ไหมให้ผลใช่ไหมไม่ใช่อะไรมั่งเป็นปัใจจัยให้จักรคูวิ ญ, ญญาณเกิดนะวัตถุ ก, กับอารมณ์นันะนะสาธารณะปัจจัยของนามเลยก็คือวัตถุ ก, กับอารมณ์ตากับสีมัน ตาเนี่ยนะเป็นความใสนะก็คือภาษาธาความใสก็เหมือนกับที่เรียกกระจกนั่นแหละมันก็ความใสถ้าลืมตาไว้ตลอดนะความใสอันนี้มันก็รับตลอดรับภาพไว้ตลอดทีนี้ถ้ามีอะไรสะท้อนเข้ามาถ้ามีมนาสิการเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อ น, นั้นมนาสิการเมื่อไหร่ก็เห็นเมื่อ น, นั้นข вот ันการมนาสิการนั้นอ่ะเป็นปัใจจัยให้จิตเห็นเกิดนี้ธรรมดาแต่ทีนี้ว่าพูดถ้าพูดแบบธรรมดาทั่วไปนะ ความรู้เหล่านี้พุทธเจ้าไม่สอนคนปรู้แต่คําสอนของพระพุทธเจ้าพิเศษตรงที่เมื่อจิตเห็นนี้เป็นผลของกรรมนั่นแหละจิตเห็นนี้ผลของกรรมแต่ถ้าหากว่ามองแค่จิตเห็นเกิดขึ้นรู้เหตุรู้ปัจจัยธรรมดาธรรมดาเลยนะพะนักงานตัดแว่นฉลาดมากเขารู้ว่าตาเอียงหรือไม่เอียงเอียงเท่าไหร่สั้นเท่าไหรเนี่ยเขารู้เลยนะทํำยังไงจริงจะพอดีถ้ารู้แค่ธรรมดาธรรมดา แต่คําสอนของพระผู้มีพระภาคกล่าวถึงเรื่องกรรมนะเรื่องกรรมเป็นตัดใจเพราะนนั้ในเบื้องต้นตรงนี้นะต้องมีศรัทธาทเรียกว่ากรรมมสกตารศรัทธาศรัทธาในความตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบของพระผู้มีพระภาคแล้วเราทําวิจัยด้เ น, นี้ยแหละค่อยๆเก็บข้อมูลสถิติเรื่องบุญเรื่องบาปไปเรื่อยๆถ้าหากว่ามนุษย์เนี่ยเป็นภพที่ไม่เหมือนกับภพบอื่นๆถ้าภพอื่นนะอย่างเทวดาปั๊บเนี่ย เขามาเกิดเป็นเทวดาด้วยกรรมอะไรเนี่ยเขาเขาระลึกได้ชัดเจนเลยแต่ของมนุษย์เนี่ยไม่รู้แต่ถ้าเทวดานี่เขารู้เลยนะว่ากรรมอะไรที่ทําให้เขามาเกิดเป็นเทวดาก็มันเป็นบุญพิเศษของเขาซึ่งเขาเขาด้วยอํานาจของบุญนั่นแหละหรืออย่างบางคนนะอย่าง อ, อดีตชาติของพระอานนท์สมัยที่เกิดเป็นพระนางรุจาพระนนเนี่ยระลึกชาติได้แล้วรู้ด้วยว่ากรรมไหนให้ผลนําเกิด นั่นแหละรู้ได้บางคนก็รู้ได้ว่ากรรมอันไหนให้ผลนําเกิดมาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ไม่ความรู้เหล่านี้ไม่ได้เกิดกับคนทุกคนเหมือนกับความรู้วิทยาศาสตร์บางแขนงเนี่ยไม่ได้รู้กับคนทุกคนมันรู้เฉพาะบางคนที่เขามีอุปนิสัยเขาสั่งสมที่จะมีความรู้ในเรื่องนั้นๆไปอันในเรื่องกรรมก็ลักษณะเดียวกัน อันในส่วนนี้ถ้าเราพอกพูในเรื่องกรรมมากๆเราจะเห็นว่าวิบากเหล่านี้เป็นปากระตูที่สําคัญต่อความคิดเรามากจากครูวิญญาณโสตวิญญาณที่เกิดขึ้นนะเป็นอุปนิสัยที่สําคัญต่อสภาพจิตขณะนี้ของเรามากจิตจะเป็นกุศลหรืออกุศลส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่วิบากจิตเหล่านี้ทีนี้วิบากจิตเหล่านี้เป็นปากระตูโดยใกล้ๆหน่อยแต่ปากระตูไกลอีกนิดหนึ่งก็คือสะสมอะไรมา เมื่อรับวิบากที่ดีสะสมที่จะให้จิตเป็นกุศลไหมการสะสมอันนั้นเรียกว่าอะไรอุปนิสัยหรืออัตตะสัมมาปณิธิะตั้งจนไว้ชอบไหมที่จะให้กุศลจิตเกิดเมื่อจะต้องเห็นแล้วเห็นยังไงกุศลจิตจึงจะเกิดขันโคนนั้นมีอัตตะสัมมาปณิทิตที่จะเจริญสัมปัญญะสี่ไหมตั้งไว้ไหมว่าฉันจะเจริญธรรมะหมวลนี้นะหรือตั้งไว้ว่าจะเจริญกุศลธรรมกลุ่มนี้นะ จะต้องปฏิบัติชีวิตตามหลักมงคลทั้งสาสิแปดนะถ้าไม่มีการสมาทานที่จะเจริญกุศลนั้นๆแล้วลุกให้กุศ ล, ลจิตเกิดเนี่ยโอ้โหยากยิ่งกว่า ง, งมเข็มอีกเพราะว่าถ้าจิตที่ตั้งไว้ผิดเนี่ยกุศ ล, ลจิตเกิดยากมากนั่นแหละันแต่ถ้าเราสามารถตั้งไว้ชอบที่จะเจริญกุศลเช่นถ้าธรรมดานะถ้าเราตั้งใจไว้ชอบว่าจะสมาทานศีลห้าเะั้นอะไรที่จะล่วงขอบเขตศีลห้าปั๊บกุศลศีลอันนี้จะมาช่วยเรา กุศลจิตจะเกิดเป็นพักๆถ้าศีลแปดกุศลศีลจะเกิดขึ้นอีกพักๆถ้าปาติโมฆขสังวรศีลของของพระพิสุเป็นต้นเพิ่มเห็นตั๊เนี่ยศีลจะเข้ามาถ้าท่านสมาทานที่จะประพฤติจะปฏิบัติตามอันกุศลจิตจะเกิดขึ้นอย่างน้านแน่นขึ้นทีนี้กุศลจิตซึ่งเกิดขึ้นโดยเหตุไกลคืออุปนิสัยที่ตั้งใจไว้และมาประจวบกับวิบากจิตซึ่งเกิดขึ้นความนึกคิดขณะนี้ก็จะทํางานทันทีเลย เขาเรียกว่าอาศัยมโนโกับธรรมรมเกิดมโนโวิญญาณความประชุมของธรรมะสามอย่างเป็นภาษะเพราะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาทางความคิดเวทนานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานนะความยึดถือในความคิดนั้นจะเกิดขึ้นทันทีท่้นคนนี้จะหวงแหนความคิดนึกของตัวเองมาก ถ้าไอเดียหรือแนวความคิดอะไรซึ่งตัวเองคิดได้เนยจะยอมรับแนวความคิดอันนั้นมากจะเชื่อมั่นในแนวความคิดอันนั้นมากศรัทธา ม, มากแต่ถ้าคนอื่นคิดให้ธรรมดาไม่ไม่น่าอัศจรรย์อะไร